b o ๊ก2ูยี่สิบหกซธรรมชาติ u t in a t u r e คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ orte คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ Ser f คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะ ser du ดูลันส์บ e ย d น์ด์ด์บตคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะเซอร์ดูเอลเวนด์ด์บอคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะเซอร์ดูบรองด์ด r บอคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ ดิฉันชอบนกตัวนั้นฉันชอบต้นไม้ต้นนั้นฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น ดิฉันชอบสวนนั้นฉันชอบดอกไม้นี้ฉันว่านั่นมันสวยฉันว่านั่นมันน่าสนใจ ดิฉันว่านั่นมันงดงามดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียดดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อดิฉันว่านั่นมันแย่ s y n คิดว่า r ั r y k t ก l i ว